จเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ใฝ่ธรรมทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่27ตุลาของพุทธศักราช2556เป็นวันพระเป็นวันธรรมัสวานณะเป็นวันฟังธรรมเป็นวันธรรม สัมมาทิฏฐิให้เกิดขึ้นสัมมาทิฏฐิคืออะไรก็คือความเห็นที่ถูกต้องนั่นเองความเห็นที่ถูกต้องนี้เป็นอย่างไรก็คือให้เห็นว่าสิ่งที่ไม่เที่ยงนั้นไม่เที่ยงสิ่งที่เป็นทุกข์เป็นทุกข์สิ่งที่ไม่ใช่ตัวเราของเราว่าไม่ใช่ตัวเราของเราไม่ใช่เห็นกับตาละปัดเห็น ตรงกันข้ามกับความจริงอย่างที่พวกเราเห็นกันอยู่เรามักจะเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงเห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขเห็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเราของเราว่าเป็นตัวเราของเราพอเรามีความเห็นผิดความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นเพราะเราจะไปอยากให้สิ่งที่ไม่เที่ยงนั้นเที่ยงนั่นเอง เราอยากจะให้สิ่งที่ทุกข์นั้นเป็นสุขอยากจะให้สิ่งที่ไม่ใช่เป็นตัวเราของเราเป็นตัวเราของเราซึ่งมันขัดกับความจริงเหมือนกับอยากให้พ้าทีศขึ้นทางทิศตะวันตกและตกทางทิศตะวันออกอย่างนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ฉันใดสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ก็เป็นอย่างนั้น สิ่งต่างๆทั้งหลายเป็นอย่างไรสิ่งต่างๆทั้งหลายไม่เทีย่ยง<ฮ>มีการเจริญมีการเสื่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาสิ่งต่างๆทั้งหลายเมื่อมีการเสื่อมย่อมให้ความทุกข์สิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้เราไปสั่งเขาไม่ได้ไปสั่งให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ตามความอยากเราไม่ได้ เขาจะอยู่กับเราเขาก็อยู่เขาจะไปจากเราเขาก็ไปนี่คือความเห็นที่ถูกต้องที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราเห็นกันเพราะถ้าเราเห็นแล้วเราจะได้ปล่อยวางได้จะได้ไม่หลงไปยึดไปติดไปอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ถ้าไม่เห็นก็จะอยาก พอไม่ได้ดังใจอยากก็จะทุกข์จะเสีย อ, อกเสียใจร้องหอม่มร้องห้างพอไม่รู้ความจริงว่าเป็นอย่างไรอย่างร่างกายของเราทุกคนนี้ก็ไม่เที่ยงมเมื่อเกิดมาแล้วต้องมีความแก่ ม, มีมีความตายไปเป็นธรรมดาร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรา เป็นเหมือนที่อยู่อาศัยชั่วคราวตัวเราคืออะไรตัวเราคือผู้รู้คือใจผู้คิดผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆผู้รับรู้เรื่องราวต่างๆอันนี้คือใจใจนี้ไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกายเวลาร่างกายแก่ใจก็ไม่ได้แก่เวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยใจก็ไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วย เวลาร่างกายตายใจก็ไม่ได้ตายไปกับร่างกายถ้ารู้ความจริงอย่างนี้ใจก็จะไม่ทุกข์กับความแก่กับความเจ็บกับความตายแต่ถ้าไม่รู้ก็จะไปหลงคิดว่าตนใจเป็นร่างกายเวลาร่างกายเป็นอะไรก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาเพราะไม่อยากให้เป็นนั่นเอง เวลาร่างกายแก่ก็ไม่อยากให้แก่เวลาล่างกายเจ็บก็ไม่อยากให้เจ็บเวลาร่างกายตายก็จะอยากไม่ให้ตายแต่จะอยากอย่างไรก็ตามก็ห้ามความจริงไม่ได้ห้ามความจริงไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายไม่ได้เหมือนกับเราห้ามพระอาทิตย์ไม่ให้ขึ้นไม่ให้ตกไม่ได้แต่เราอยากให้ไม่ให้พระอาทิตย์ขึ้น เวลาพระอาทิตขึ้นเราก็จะเศร้าโศกเสียใจจะทุกข์ใจเราไม่อยากให้พระอาทิตตกเวลาพระอาทิตตกเราก็จะเศร้าโศกเสียใจเพราะเราไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ความทุกข์ของเรานี้พระพุทธเจ้าทรงตรัส ว, ว่าเกิดจากความอยากของเรานี่เองถ้าเราไม่มีความอยากแล้วเราจะไม่ทุกข์ การที่จะไม่มีความอยากได้ก็ต้องเห็นความจริงว่าสิ่งที่เราอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันเป็นไปนไม่ได้เขาเป็นตามเรื่องของเขาถ้าอยากจะไม่ทุกข์อยากจะมีความสุขก็ต้องอยากตามความเป็นจริงอยากให้ร่างกายแก่อย่างนี้จะไม่ทุกข์เวลาร่างกายแก่อยากให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะไม่ทุกข์ อยากให้ร่างกายตายเวลาร่างกายตายไปก็จะไม่ทุกข์เพราะได้ดังใจอยากนั่นเองเวลาที่เราอยากได้อะไรแล้วเราได้มานี่เป็นอย่างไรเราจะมีความสุขใช่ไหมเพราะเราได้สมใจอยากนั่นเองดังนั้นถ้าเราอยากจะไม่ทุกข์เราก็ต้องอยากในสิ่งที่เป็นจริงอยากกับความจริงอย่าไปอยากกับความไม่จริง ความไม่จริงนี่แหละที่ทําให้เราทุกข์กันเราอยากไม่แก่นี่เป็นความไม่จริงอยากไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเป็นความไม่จริงอยากไม่ตายนี่เป็นความไม่จริงพอไปอย่างในสิ่งไม่จริงเราก็จะผิดหวังเพราะมันไม่ใช่เป็นของจริงมันเป็นไปไม่ได้นั่นเองเรื่องของความไม่แก่ความไม่เจ็บความไม่ตายนี้มันเป็นไปไม่ได้ถ้ามีร่างกายนี้แล้วมันจะต้องแก่ ต้องเจ็บต้องตายไปเรื่อยๆนี่คือความเห็นที่ถูกต้องที่พวกเราควรที่จะคอ ย, คอยศึกษาคอยเอามาสั่งสอนใจอยู่เรื่อยๆแล้วใจของเราจะได้ไม่ทุกข์กับความเป็นความตายของร่างกายจะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกาย เพราะเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นเหมือนผู้อยู่อาศัยเท่านั้นเองร่างกายนี้เป็นที่อยู่ชั่วคราวของเราเวลาร่างกายตายไปเราก็ไปสู่ร่างใหม่ต่อไปไปสู่ภพใหม่ไปสู่ชาติใหม่ชาติใหม่ภพใหม่ของเราจะสูงจะต่ำจะดีจะชั่วจะสุขจะทุกข์ก็อยู่ที่ บุญที่บาปเราทำกันนะในวันนี้ดังนั้นสิ่งที่เราควรที่จะวิตกกังวลไม่ใช่อยู่ที่ร่างกายร่างกายเราไม่ต้องไปวิตกกังวลเพราะเขาอย่างไรเขาก็ต้องไปไปตามเรื่องของเขากังวลไม่กังวลจะดูแลรักษาให้ดีวิเศษวิโสอย่างไรเขาก็จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไป นั้นไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะต้องมาวิตกกังวลมาห่วงสิ่งที่น่าวิตกน่ากังวลก็คือใจของเราหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วใจของเราจะไปไหนกันเราเตรียมตีตั๋วกันหรือยังมีตั๋วขึ้นเครื่องบินกันหรือยังถ้าเรามีตัว๋วเราก็ขึ้นเครื่องบินไปท่องเที่ยวได้ไปตามประเทศต่างๆไปสถานที่ต่างๆ ถ้าเราไม่ตีตัว๋วนอกจากไม่ตีตัว๋วแล้วไปมีหนี้มีสินเราก็ต้องไปติดคุกติดตารางคุกตารางของใจนี้คืออะไรก็คืออบายอบายนี้คือคุกตารางที่ไปชดใช้บาปใช้กรรมที่ตนได้ทํำอาไว้อบายนี้ก็มีอยู่4ระดับด้วยกันคือ 1. ระดับเดรัจฉานสองระดับผี สระดับเปรต 4. ระดับนรกนี่คือที่ไปของผู้ที่ทําบาปทํากรรมของใจผู้ที่ทําบาปทํากรรมส่วนใจที่ทําบุญนี้ก็จะไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆสวรรค์ชั้นเทพสวรสวรค์ชั้นพรมสวรรค์ชั้นพระอริยเจ้าขั้นต่างๆจนถึงสวรรค์ชั้นสูงสุดก็คือ สวรรค์พระนิพพานนี่คือสิ่งที่เราควรที่จะให้ความสนใจควรที่จะวิต ก, กัวงวลว่าตอนนี้เราได้ทําอะไรไว้มากเพราะบุญบาป ท, ที่เราทํานี้มันจะเป็นตัวที่จะส่งให้เราไปตามสถานที่ต่างๆเหมือนกับเราตีตัวรถยนต์หรือตีตัวเครื่องบิน เราตีตั๋วชนิดไหนพอถึงเวลาขึ้นเครื่องตั๋วนั้นก็จะพาให้เครื่องบินนั้นก็จะพาให้เราไปตามที่ตั๋วที่เราตีถ้าเราตีตั๋วไปสิงคโปร์มันก็จะไปสิงคโปร์จะไปเชียงใหม่ไม่ได้มันเป็นคนละที่กันดังนั้นเราต้องพยายามตีตั๋วไว้ให้มากๆแล้วก็ พยายามอย่าไปสร้างหนี้อย่าไปสร้างบาปสร้างกรรมเพราะถ้าบาปกรรมนี้มีน้ำหนักมากกว่าบุญที่เราทำไว้เราก็ต้องไปใช้บาปใช้กรรมก่อนแต่ถ้าบุญมีน้ำหนักมากกว่าบาปกรรมเราก็ไปรับผลบุญก่อนผลบาปนี้เก็บเอาไวท้ทีหลังก่อนยังไม่ต้องใช้บาปใช้กรรมผัดเวลาได้ จนกว่าบาปจะมีน้ำหนักมากกว่าบุญเวลานั้นถึงค่อยไปใช้บาป ก, กัน <c oughs> ดังนั้นขอให้เราพยายามทำบุญให้มากๆแล้วก็ทำบาปให้น้อยน้อยหรือไม่ทำเลยได้ก็จะยิ่งดี <c oughs> นี่แหละคือที่ไปของผู้ที่ล่วงลบไปแล้วไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม เป็นคารวะญาติโยมเป็นพระนักบวชก็เป็นเหมือนกันหมดพอร่างกายนี้ตายไปแล้วใจก็จะต้องถูกบุญและบาปมาฉุดลากไปถ้าบุญมีกําลังมากกว่าก็จะฉุดไปทางบุญถ้าบาปมีกําลังมากกว่าก็จะฉุดไปทางอบายเช่นพระพุทธเจ้าเวลาที่ร่างกายของท่านดับไปแล้ว บุญของท่านก็ฉุดให้ไปพระนิพพานดึงไปถึงพระนิพพานส่วนพระเทวทัตนี้พอตายไปแล้วก็ถูกบาปฉุดลากให้ไปตกนรกอันนี้เป็นเรื่องจริงเรื่องที่พระเจ้าเป็นผู้ตัดเองสอนเองการตัดสรุปของพระพุทธเจ้าก็ตัดสรุปเรื่องของจิตใจนี้เองตัดสรุปเรื่องวิถีของจิตว่าจิตนี้เป็นไปจะเป็นไปอย่างไร จะเป็นไปสูงเป็นไปต่ำนี้เป็นได้อย่างไรเกิดจากการกระทําทางกายทางวาจาและทางใจอย่างวันนี้ญาติโยมมาทําการกระทําที่เป็นบุญเป็นกุศลเช่นมาทําทานถวายปัจจัยสี่ถวายสังฆทานแล้วก็รักษาศีลฟังเทศฟังธรรม บางท่านก็อยู่วัดต่อรักษาศีลแปดแล้วก็ปฏิบัติจิตตภาวนาทำใจให้สงบทำใจให้ฉลาดเพื่อกำจัดความเศร้าหมองต่างๆให้หมดไปจากใจอันนี้แหละเรียกว่าเป็นวิถีทางที่จะนำพาจิตไปสู่ภพที่ดีชาติที่ดีไปสู่การสิ้นสุด แ่การเวียนว่ายตายเกิดอันนี้แต่ละบุคคลต้องทำกันเองไม่มีใครทำแทนกันได้ทำมากก็จะได้ผลมากได้ผลเร็วทำน้อยก็ได้ผลน้อยได้ผลช้าดังนั้นเราต้องแข่งกับเวลาเพราะเวลาของเรานี้มีแต่จะน้อยลงไปไม่ใช่จะมีมากขึ้น แล้วก็เวลาของเราแต่ละคนก็ไม่รู้ว่าเหลือมากน้อยเท่าไหร่บางคนอาจจะเหลือส0สิปีห้าสิบปีบางคนอาจจะเหลือแค่สมปีห้าปีหรือสามวันห้าวันหรือสามชั่วโมงห้าชั่วโมงไม่มีใครรู้กันเพราะเราไม่มีที่ไปเช็คได้เหมือนกับเวลาที่เรามีบัตร A อเมเราอยากจะรู้ว่าเรามีเงินเหลือเท่าไหร่ เราก็ไปกดเช็คได้ว่ายอดเงินของเราเหลือเท่าไหร่แต่เวลาของเราที่จะอยู่ในโลกนี้นี่เหลือเท่าไหร่เราเช็คไม่ได้ไม่มีใครเช็คได้ดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดก็คือต้องคิดว่ามันเหลือแค่ศูนย์มันเหลือเหลืออีกนิดเดียวก็จะต้องตายแล้วอย่างพระพุทธเจ้าทรงสอนให้คิดว่ามันเหลือแค่ลมหายใจเข้าออกนี้เอง ถ้าหายใจออกแล้วไม่หายใจเข้านี่ก็ไปแล้วหรือหายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกก็ตายแล้วให้คิดอย่างนี้เพื่อเราจะได้ไม่ประมาทไม่ขี้เกียจตอนนี้เราประมาทกันขี้เกียจกันเรามักจะคิดว่าโอ้ยเวลาของเรายังเหลืออีกมากมายตอนนี้ขอสนุกสนานเฮฮาไปก่อนเรื่องทำบุญเรื่องอะไรนี้ขอเก็บเอาไว้ก่อนไว้เวลาแก่แล้ว ไปเที่ยวไม่ได้แล้วไปสนุกสนานไม่ได้แล้วค่อยเข้าวัดกันกลัวว่ามันจะไม่มีเวลาถึงวันนั้นละสิกลัวว่ามันจะไม่ทันแก่มันจะตายไปเชื่อก่อนถ้าไม่เชื่อไปศึกษาดูสถิติของคนที่ตายกันว่าคนที่ตายก่อนอายุแก่นี้มีมากกว่าคนที่ตายหลังจากแก่แล้วไหมเราเชื่อว่าอย่างน้อยก็ต้องเท่าเท่ากัน หรือไม่อย่างนั้นก็จะมากกว่าเพราะพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าการดำรงชีพอยู่ได้นี้เป็นสิ่งที่ยากเพราะว่ามีอุปสรรคมีอะไรต่างๆนานาที่จะต้องคอยฟันฝ่าคอยต่อสู้อยู่ตลอดเวลาต่อสู้กับความอดยากขาดแคลนต่อสู้กับเศรษฐกิจที่ตกต่ำเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนต่อสู้กับภัยธรรมชาติต่างๆ ต่อสู้กับภัยที่เกิดจากมนุษย์เราด้วยกันต่อสู้ด้วยการเกิดอุบัติเหตุ ต, าต่างๆบนท้องถนนอันนี้เป็นสิ่งที่เราควรจ ะ, จะคิดกันถ้าเราคิดกันแล้วเราจะได้ไม่นิ่งนอนใจเราจะได้รีบมาทำกิจที่สำคัญของใจต่อไป เพราะว่าถ้าเราทำกิจของใจได้เสร็จแล้วนี้เราสบายแล้วอย่างพระพุทธเจ้านี้ทรงใช้เวลาปฏิบัติกิจของพระองค์เพียง6ปีเท่านั้นเองหลังจากออกบวชแล้วก็ทุ่มเทเวลาให้กับการรักษาศีลทุ่มเทเวลาให้กับการภาวนาทำใจให้สงบสอนใจให้ฉลาดจนสามารถกำจัด กิเลสตัณหาต้นเหตุของการเวียนว่ายตายเกิดต้นเหตุของความเสื่อมเสียทั้งหลายให้หมดไปได้จนพระทัยของพระองค์ได้บรรลุถึงพระนิพพานอันนี้แหละพอบรรลุแล้วพระองค์ก็สบายแล้วจะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรก็ได้จะสั่งสอนใครก็ได้ไม่สั่งสอนใครก็ได้ไม่ได้มีปัญหาอีกต่อไป พอใจนี้จะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรก็จะไม่มีวันที่จะตกลงมาต่ำได้พอขึ้นไปถึงสวรรค์ชั้นที่ผ่านแล้วนี้จะเป็นเหมือนมีมีประตูล็อกเอาไว้จะไม่มีวันที่จะตกลงมาอีกต่อไปจะไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปจะมีแต่ปรมังสุขขังมีแต่บามามสุขอยู่ตลอดเวลา สุขเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขที่เราจะเราได้การจากการสนุกสนานเฮฮากับเครื่องบรรเทิงต่างๆกับของเล่นต่างๆดังนั้นเราอย่าไปหลงไหลกับของเล่นต่างๆเครื่องบรรเทิงต่างๆเลยมันเป็นของปองลอแเรามันเป็นความสุขที่ชั่วคราวมันให้ความสุขกับเราในขณะที่เราได้ สัมผัสรับรู้เท่านั้นเวลาที่เราไม่ได้เล่นเราไม่ได้ดูไม่ได้ฟังเวลานั้นความสุขต่างๆก็จะหายไปหมดทำให้เราหิวกับความสุขเหล่านี้ต้องดิ้นโดนหาความสุขต่างๆอยู่เรื่อยๆเวลาที่ไม่สามารถหาความสุขเหล่านี้ได้เวลานั้นก็จะเกิดความเศร้าหมองขึ้นมาเกิดความหงุดหงิดลาคาญใจ เกิดความว้าเหวเศร้าซ้อยหงอยเหงานี่แหละคือความสุขที่พวกเราหาจากการสิ่งบันเทิงต่างๆจากรูปเสียงกลิ่นรสผพทพะจากการกระทําจากการเล่นต่างๆเป็นความสุขชั่วคราวแล้วก็เป็นความทุกข์ตามมาทีหลังดังนั้นถ้าเรา ลำาลึกถึงความตายอยู่เรื่อยๆแล้วลําลึกถึงความไร้สาระของความสุขต่างๆที่พวกเรากำลังหากันอยู่เราก็จะได้เปลี่ยนวิธีการดาเนินชีวิตของเราได้แทนที่จะหาความสุขจากสิ่งต่างๆในโลกนี้เราก็จะไปหาความสุขภายในใจของเราการทำใจของเราให้สงบนี่แหละเป็นการสร้างสวรรค์ชั้นต่างๆขึ้นมา ความสงบของใจนี้แหละเป็นความสุขอย่างยิ่งยิ่งกว่าความสุขทั้งหลายในโลกนี้เวลานั่งสมาธิแล้วใจสงบนี้ก็ถือว่าได้ขึ้นสวรรค์ชั้นพรมเลยแล้วถ้าได้จเจริญวิปัสสนาพิจารณาด้วยปัญญาทำลายความโลภความโกรธความหลงทำลายความอยากต่างๆให้หมดไปได้ก็จะขึ้นถึงสวรรค์ชั้นพระนิพพานเลย อันนี้แหละเป็นสิ่งที่วิเศษกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เพราะเป็นความสุขที่ไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดไปเป็นความสุขที่ไม่มีความทุกมาตามมาเป็นความสุขล้วนๆร้อยเปอร์เซไม่เหมือนกับความสุขที่เรากําลังแสวงหากันอยู่เป็นความสุขที่มีความทุกตามมาเป็นความสุขเพียงเสี้ยวเดียว แล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นความทุกข์เวลาที่เราสูญเสียสิ่งต่างๆไปเวลานั้นจะเกิดความทุกข์ทรมานใจเป็นอย่างมากถ้าเสียมากๆนี่จะถึงกับอยากจะฆ่าตัวตายเพราะไม่รู้จะอยู่ไปทำไม เ, เช่นสูญเสียทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองสูญเสียคนที่รักไปอันนี้ไม่รู้จะว่าจะอยู่ไปทำไม หรือจะต้องสูญเสียร่างกายไปเป็นโครคภัยไข้เจ็บโรคร้ายแรงที่จะต้องตายไปภายในเวลาอันไม่ไม่นานอันนี้ก็จะทำให้เกิดความอยากจะฆ่าตัวตายเพราะไม่สามารถหาความสุขที่เคยหาได้อีกต่อไปแต่ถ้าเรารู้จักวิธีหาความสุขจากการทำใจให้สงบ เราจะไม่เดือดร้อนเวลาที่เราสูญเสียสิ่งต่างๆสูญเสียทรัพสมบัติเข้าของเงินทองสูญเสียคนที่รักหรือว่าร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นโรคร้ายแรงหรือเป็นอมัมพฤกษ์อัมาพาตไม่สามารถหาความสุขผ่านทางร่างกายได้เราจะไม่เดือดร้อนเลยเพราะเราสามารถหาความสุข โดยตรงจากใจได้โดยตรงคือด้วยการทําใจให้สงบนี่ถ้าเราฝึกทําไปเรื่อยๆต่อไปเราก็จะชํานาญชนานาญแล้วทีนี้เราก็สามารถสร้างความสุขสั่งให้มีความสุขให้กับเราได้ทุกเมื่อทุกเวลาเวลาอยากจะทําใจให้สงบก็นั่งหลับตาเดี๋ยวเดียวใจก็สงบ หรือถ้ายิ่งมีปัญญายิ่งดีใหญ่ถ้ามีปัญญานี้ไม่ต้องนั่งสมาธิเลยเพียงแต่สั่งใจให้อยู่เฉยๆอย่าไปอยากกับอะไรเท่านั้นเองใจก็สงบแล้วมีความสุขแล้วอันนี้แหละคือความจริงที่เราควรที่จะมาศึกษากันมาทําความเข้าใจกันอย่าไปหลงกับความสุขทางร่างกาย อย่าไปหลงคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราเพราะว่าความสุขที่เราได้จากทางร่างกายนี้มันไม่ใช่เป็นความสุขอย่างเดียวมันมีความทุกข์แถมมาด้วยส่วนร่างกายนี้มันก็ไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นเพียงแต่ที่อยู่อาศัยที่เราใช้ให้ไปทำอะไรต่างๆเพื่อตอบสนองความอยากของเราเท่านั้น แต่ถ้าเราไม่มีความอยากภายในใจแล้วร่างกายนี้ก็จะไม่มีความหมายสำหรับเราต่อไปร่างกายจะอยู่ไม่อยู่จะแกะ่จะเจ็บจะตายหรือไม่จะไม่เป็นปัญหากับใจที่ไม่มีความอยากเพราะเมื่อไม่มีความอยากก็ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือแต่ถ้ายังอยากดูยังอยากฟังยังอยากดื่มยังอยากรับประทานอยู่ ก็ต้องมีร่างกายถึงจะดูได้ฟังได้ดื่มได้รับประทานได้นี่คือความเห็นที่ถูกต้องต้องเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ของเราร่างกายไม่ใช่เป็นสารณะเป็นที่พึ่งของเราใจนี่แหละเป็นสารณะเป็นที่พึ่งของเราใจเป็นอัตตาหิตอัตโนนาโถเป็นที่พึ่งของตนเอง วิธีที่ทำให้ใจเป็นที่พึ่งของตนเองก็คือต้องทำใจให้สงบให้ได้ถ้าใจสงบด้วยส ม, มถะภาวนาด้วยวิปัสสนาภาวนาใจก็จะมีความสุขไปตลอดเวลาไม่มีวันสิ้นสุดไม่มีวันหมดไปเวลาร่างกายตายไปใจก็จะไม่เดือดร้อนเหมือนกับร่างกายของพระพุทธเจ้า ร่างกายของพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายร่างกายของผู้ปฏิบัติธรรมขั้นสูงทั้งหลายใจของท่านจะไม่เดือดร้อนกับความตายของร่างกายเพราะท่านไม่ได้อาศัยร่างกายเป็นสรารณะท่านมีสรารณะคือความสงบนี่แหละเรียกว่าธรรมังสารณังกัจฉามิธรรมความสงบนี่แหละคือเป็นธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ที่จะทำให้จิตใจนี้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เมื่อเราเห็นความจริงอันนี้แล้วเวลาที่เราเห็นคนนั้นตายคนนี้ตายเราจะไม่รู้สึกเศร้าโศกเสียใจแต่อย่างใดแต่เราอาจจะเกิดความเมตตาสงสารหรือสมเพศก็ได้เพราะเราจะรู้ว่าเวลาเขาตายไปแล้วเขาจะไปสูงหรือจะไปต่า จะไปสุขหรือไปทุกข์เพราะเราเห็นพฤติกรรมของเขาในขณะที่เขามีชีวิตอยู่ถ้าในขณะที่เขามีชีวิตอยู่นั้นเขาไม่ทำบุญเลยทำแต่บาปอย่างเดียวอย่างนี้เวลาเขาตายไปนี้เขาจะต้องไปรับผลบาปของเขาอย่างแน่นอนต้องไปเป็นเดรัจฉานบ้างเป็นผีบ้างเป็นเปรตบ้างต้องไปตกนรกบ้าง แต่ถ้าเราเห็นว่าเขาทำบุญมาตลอดรักษาศีลมาตลอดบาเพ็ญจิตตภาวนามาตลอดเราก็มีความมั่นใจได้ร้อยเเซ็ได้ว่าเขาต้องไปสู่สุคติอย่างแน่นอนไปสวรรค์ชั้นต่างๆอย่างแน่นอนขึ้นอยู่กับกําลังของการปฏิบัติของเขาดังนั้นสำหรับผู้ปฏิบัติแล้วนี่จะเรื่องของความตายนี่จะไม่เป็น เรื่องที่จะมาทำให้เศร้าโศกเสียใจวุ่นวายใจเลยเพราะรู้ว่าอะไรตายอะไรไม่ตายแล้วรู้ด้วยว่าส่วนที่ไม่ตายนี้จะไปไหนต่อไปถ้ารู้เห็นพฤติกรรมของผู้นั้นในขณะที่มีชีวิตอยู่ถ้าอยู่อยู่แบบไม่ทำบุญทำแต่บาสนี้ไปได้เลยอบายไม่ต้องไม่ต้องสงสัย ถ้าไม่ทำบาปเลยทำแต่บุญทำแต่การชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์รักษาศีลให้บริสุทธิ์อย่างนี้ไปสู่สุคติอย่างแน่นอนดังนั้นขอให้พวกเราจงอย่าประมาทกันเวลาของพวกเรามีน้อยลงไปทุกวันทุกวันขอให้เราพยายามศึกษาความจริงให้เราเห็นความจริงว่าอะไรเป็นทุกข์อะไรเป็นสุขกันแน เพื่อเราจะได้เดินออกจากสิ่งที่เป็นทุกข์แล้วเดินเข้าหาสิ่งที่เป็นสุขสิ่งที่เป็นทุกข์ก็คือความสุขต่างๆที่เราหากันในโลกนี้แหละเป็นเรียกว่าเป็นทุกข์สิ่งที่เป็นสุ ข, ขก็คือการออกปฏิบัติธรรมกันมาทำใจให้สงบกันอันนี้แหละคือเป็นความสุขถ้าเรามีความเห็นอย่างนี้แล้วรับรองได้ว่า